ขอให้พาการสำรวมการอยู่อย่างนี้นะสำรวมตนให้ดีอย่าไปคุกคลีกันแบบนี้นั่นะการโทษแห่งการคุกคลีนะมันเกิดวุ่นขึ้นมาพากัน ร, รู้สึกตัวผู้ใดก็ดี เพราะว่ามันคนละเพศกันเราก็รู้รู้กันอยู่นี่เนี่ยให้สำนึกไว้เสมอมันโมแม น, นเราเป็นเพศเดียวกัน <c oughs> แต่เราก็พึ่งทำมันอันเดียวกันแต่วินัยนนมันคนละอย่างอย่างที่พูดให้ฟังมาเนี่นนะ เพราะนั้นการคุกคีกันเกินขอบเขตโดยมีเหตุผลอันสมควรเนี่ยมันมีโทษอ่ะมันเป็นไปเพื่อความเสื่อมใ ห, ให้ระวังกันในแท้เรื่องนี้นะนะเคยพูดมาเตือนกันมาทุกคนให้ทำที่พึ่งแก่ตนงตนให้ได้อ่ ตนต้องพึ่งตนตนจะพึ่งตนได้ก็เพราะเหตุว่าตนทำความดีนั่นเ่งรักษาตนให้ดีผู้ใดรักษาสินประเภทได้โยก็สำรวมในสินประเภทนั้นให้มั่นคงอย่าให้มันเสื่อมอย่าให้สินมันขาดด่างคร้อยนี่ ถ้าหากว่าไม่สำรวมในสินนี่แล้วการทำความดีอย่างอื่นก็เหลวไปมดไม่ได้ความอะให้พากันเข้าใจสินนี่แหละเป็นรากแก้วของระสัสนาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นะเหมือนอย่างต้นไม้นี่ ต้นไม้ต้นใดถ้าหาเพราะมันมีรากแก้วอย่างลึกลงไปนะไม้ต้นนั้นนะไม่ค่อยจะหักจะโคน่นลมพัดมาแต่ทิศทั้งสี่ก็ไม่หักไม่โคน่นรากแก้วมันยึดลําต้นไว้ได้การที่คนเราจะไม่เสื่อมจากศาสต์พุทธศาสนานี่ก็เพราะเหตุนั้นเลย พอมีวินยัยมีศีลเป็นปอย่างนั้นไปอย่างมาฮะต่างมีวินัยอยู่แล้วนะอยู่ด้วยกันมันสบายไม่มีเรื่องอะไรนะให้เข้าใจถึงแม้ภายในจิตใจน่นจะ ไม่ค่อยสงบระงับเท่าไหร่นักก็าตามแต่ถ้าเราเคารพต่อศีลต่อวิในนี่อย่างเคร่งครัดอยู่แล้วนะมันก็อยู่กันได้สบายก็ไม่เดือดร้อนให้เข้าใจกันก็อย่างที่เคยพูดมานั้เนี่ย ใครจะไปตามรักษาใครอยู่ตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้อพระพุทธเจ้ากับพระองค์จะเป็นผู้สั่งเป็นผู้สอนเป็นผู้แนะหนทางออกจากทุกข์ให้เท่านั้นแต่การเดินตามหรือปฏิบัติตามเป็นหน้าที่ของท่านผู้ฟังออืจะเดินตามหรือไม่เดินตามเท่านั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงแสดงอย่างนี้นะออื เพราะฉะนั้นก็ให้พากันเข้าใจความมุ่งหมายของพุทธศาสนายอย่างนี้เมื่อเราเห็นว่าคําสอนของพระ อ, องค์นะเป็นทางคนทุกข์กิงอย่างนี้ต่างคนต่างก็สํารวมสิสํารวมตนด้วยดีในหลักทำหลักวินัยไม่ล่วงเกินแล้วมันก็เป็นไปได้ก็ได้ความเย็นใจสบายใจอย่างนี้เลย ก็แสดงให้ฟังอยู่นะหลักลักษณะตัดสินธรรมวิวนัยแปดอย่างนะนั่นนั่นควรจะเข้าใจกนะันเหมยอนามว่าประพฤติอย่างไรจึงเป็นธรรมเป็นวินัยประพฤติอย่างไรจึงไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่ใช่คำสอนของอาสันานี่นะนี่โค้ชให้ฟังมาแล้วควรจะเข้าใจคันนี้ ควรจะปฏิบัติตามเส่นการคุกคีกันเกินขอบเขตในสถานที่ไม่ควรคุกคีอย่างนี้นะนั่นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของ菩รตร า, าต้องให้ระลึกไว้ดังนั้นระเบียบอันที่เคยพูดให้ฟังมาเนี่ย ระหว่างภิกษุสา ม, มนเณรกับแม่ชีนี่เมื่อมีธุระอะไรที่จะต้องพูดกันนะขอให้พูดกันอยู่ที่บนสารานี่ให้มีเพื่อนภิกษุหรือสา ม, มนเณรฝ่ายหนึ่งกลบฝ่ายแม่ชีก็ต้องมีเพื่อนอยู่ด้วยอย่างนี้ แล้วพูดกันปรึกษาหารือกันในเรื่องที่ควรจะปรึกษาหารือเมื่อรู้เรื่องกันดีแล้วควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่เรื่องที่มันจะเป็นประโยชน์นั่นแหละก็เลิกลากันไปเลยไม่ต้องไปหาเรื่องอื่นมาแทรกแซงจนให้ล่วงเลยเวลาไป ให้พากันปฏิบัติอย่างนั้นบัดนี้นะใต้ถุนศาลานี่ก็อย่าเอาเป็นสถานที่คุยกันสนทนากันขอให้เอาบนศาลานี่เลยยังเปิดเผยกันอยู่ตรงนี้ใครมีธุระอะไรก็มาที่ศาลานี่มาพูดกัน เส้นพูดกันอย่างอยู่ว่านี่เนะี่ยเรามารวมกันทําวัดสวดมนต์อย่างนี้นะอะก่อนทําวัดสวดมนตนะ์ใครมีธุระอะไรก็เอาสิพูดกันถามกันได้นะไม่ไม่เห็นว่าขัดข้องอะไรนี่หรือว่าตอนเช้าอย่างนี้น ะ, ะเวลาอาหารหมูนั่น มันก็มีเวลาที่จะต้องพูดกันพอมารวมกันอยู่ศาลานี่นี่เรามีเรื่องอะไรก็พูดกันแบบนี้นะถ้าไม่มีเรื่องจาเป็นอะไรแล้วก็อยู่ใครอยู่เราไปเลยมันแสนสบายดีนะให้เข้าใจสบายดีทำให้จิตใจของเราส ง, งบ ด้วยไม่มีเรื่องกังวลอะไรนนการครุกคีกันไปนานๆเลยมันก็โกให้เกิดกิเลสนี่แหละว่ากันซื่อๆนี่ไม่ใช่อื่นใดอะไรครอโกพระองค์ได้พีนาเห็นแล้วอย่างนั้นเนี่ยก็จึงได้ทรงแสดงลักษณะตัดสินธรรมินัยไว้นะ ทำเหลาใดเป็นไปเพื่อความคลุกคีดด้วยหมู่คณะทำเหล่านั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยไม่ใช่คำสอนของภาษาตะดาทำเราใดเป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลสนี่ทำเหล่านั้นก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยเหมือนกันเหมือนเขาว่าทำอะไรพูดอะไรนะมันมีความโรคพร้อมโกรธคว้อมหลงแทกขึ้นมาอย่างนี้นะ มันต้องรู้ตัวสิบางค น, นไม่รู้ตัวอะไรเมื่อมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาไม่พอใจล้วก็แสดงออกซึ่งความโกรธความฉุนเฉีวออกมาทางกายทางวาจาไปไออย่างนั้นนะมันก็แสดงออกซึ่งความไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยแล้วมันเป็นการสะสมกองกิเลสขึ้นในใจ หรือว่าเมื่อความรักความใคร่อะไรเกิดขึ้นในใจแล้วก็แสดงมายาสาไัยออกไปไปการแสดงกิริยากายก็เป็นไปเพื่อความรักความใคร่การพูดอะไรออกไปทางวาจาก็เกี่ยวเนื่องไปในความรักความใคร่นั่นทมเหล่านั้นถือว่าเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลสนะ พระองค์จ้าไม่ได้ทรงสอนอย่างนั้นนะนั่นเลยจึงเชื่อว่าไม่ใช่คำสอนของพระองค์เราก็ต้องรู้กันนะพอรู้อย่างนั้นแล้วก็งดเว้นสินั่นเลยการทำอะไรมันจะเป็นไปเพื่อให้เกิดราคะโทสะโมหะขึ้นในใจเราก็ไม่ทำไม่พูดมันจะเป็นอะไรบ้เนี่นั่นเลย มันกิเลสแล้วนัะมันก็ไม่เกิดทีนี้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแต่ในใจอย่างเดียวเท่านั้นก็เราเพียรพยายามระ ง, งับมันลงไปด้วยสมาธิภาวนางี้นะมันก็ย่อมระ ง, งับได้เมื่อเราเห็นโทษของมันนะต้องให้เข้าใจ แต่มันสำคัญที่คนเราไม่เห็นโทษของกิเลสนี่แหละสำคัญมากเมื่อไม่เห็นโทษของมันแล้วมันก็มีแต่สะสมมันให้หนาแน่นขึ้นเรื่อยไปอมันเป็นอย่างนั้นถ้าผูใ้ใดเห็นโทษของมันแล้วมันก็ต้องฝึกตนทรมานตนอะไวแบบนี้นะออทรมานตนเอาทรมานตน อดทนไม่แสดงกิริยากายอะไรออกไปในทางที่เป็นไปเพื่อความรักความใคร่อย่างว่านั่นแหละสำรวมกายด้วยดีสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยดีไม่พูดอะไรออกไปเพื่อจะเป็นการยั่วยวนชวนให้เกิดความรักความใคร่นี่ว่าจานี่ถ้าไม่จำเป็นแล้วไม่พูด ผู้ฝึกตนนะมันต้องเป็นอย่างนั้ น, อนไอ้ผู้ที่ไม่ฝึกตนนั่นนั่นมันยอมแสหาแต่เรื่องสนุกสนานหาแต่เรื่องไม่เป็นสาระประโยชน์นั่นเร็วกว่าผู้ไม่ฝึกตนปล่อยให้วันเวลาล่วงไปเสียเปล่าเป่าไม่ได้ฝึกตน ไม่ได้บันเทากิเลสตัณนะหาเบาบางมันต้องอย่างนี้สิเราเป็นนักบวชนะให้เข้าใจให้เข้าใจความเป็นอยู่ของนักบวชให้มันท่องแท้ถ้าเป็นเคเรืองหัดแล้วมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเคเรืงหัดนั่น ถ้าผู้มีศรัทธาแรงกล้าก็มีศีลห้าบริสุทธิ์เมื่อมีศีลห้าแล้วอย่างนี้มันก็ยังเพลิดเพลินได้อยู่อันนั้นน ว, วิสัยของคือหัสดนะมีศีลห้าแล้วก็ยังเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆแต่ว่าความเพลิดเพลินนั้นไม่ทําให้ศีลขาดอืม ก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษตามฐานะของผู้เป็นครือหัดตอนเธอแต่ถ้าพระทิกสุสัมเนนไปแสดงบทบาทอย่างนั้นมีโทษเนอย่างนี้เระจะบอความเป็นอยู่นะมันคนละขั้นตอนกันนะไม่ใช่ตอนเดียวเราต้องรู้ไว้เมื่อเราเป็นนักบวชอย่างนี้แล้วก็เราจะ สอนตนห้ามตนให้ได้ไม่ให้เพลิดเพลินไม่ให้แสดงมายาสาไทยต่อกันและกันไม่ให้แสวงหาความสนุกสนานลื่นเลิงอะไรเลยนี่จึงได้ชื่อว่าความเป็นอยู่ของนักบวชต้องอยู่อย่างนี้ถ้าใครหักทรมานตนห้ามตนไม่ได้แล้วก็ สละเพศอันนี้ออกไปเลยออมันก็ไม่ไม่มีใครว่าอะไรมันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจถ้าคิดว่าโอ้กิเลสนี่มันมีโทษจริงหนอมันให้โทษให้ทุกข์จริงๆเราเป็นทุกข์มาในสงสารนี่ก็เพราะกิเลสนี่แหละเอาละเราจะสละชีวิตลงทำความเพียรละมันให้ได้ ตายเพราะการทำความเพียรนี้แล้วก็เล้วไปเราจะไม่ยอ่อท้อเพราะว่าถึงไม่ทำความเพียรลา ก, กิเลสนี้มันก็ตายเหมือนกันแต่เมื่อไม่ทำความเพียรล่า ก, กิเลสแล้วอย่างนี้มันก็ตายจมอยู่ในกองกิเลส น, นี่นันกิเลสมันก็ก่อทุกข์ให้ล่ำไปอยู่งั้น ถ้าเรายอมตายเพราะการทำความเพียรละกิเลสนี่นะดีจริงๆอันนี้นะนมันจะได้พ้นทุกข์ไปโดยลำดับละกิเลสได้เท่าไรก็พ้นทุกข์ไปได้เท่านั้นนี่นะเราต้องเกต ด, ดูสิคนเกิดมาในโลกนี้แหละ ไอ้ผู้ที่เกิดมาแล้วอย่างว่าได้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าแล้ววันนี้ตื่นตัวได้เห็นโทษของกิเลสแล้วก็หาหนทางสละกิเลสนั่นออกไปอย่างเช่นว่านั่นสละจากเพศเขเลหันอามาเป็นถือเอาเพศนักบวชอย่างนี้นะ เชนี้นี่ทุกคนคงจะทบทวนดูเทียบเคียงกันได้เลยเมื่อตอนเป็นเครหอขัดอยู่นั่นน่ะตนมีความทุกข์อย่างไรบ้างเนี่ยลองทบทวนดูอนน่ะเมื่อตอนสละความเป็นครือขัดนั่นออกมาแล้วมาประพฤติพรหมจรรย์อยู่างนี้นะเบากายเบาใจไหมเทียบกันดูอ่ะก็รู้ได้ ทุกคนย่อมรู้ได้แหละจึงได้มั่นใจในการประพฤติพรหมจรรย์นี่มันต้องประเมินผลไปพร้อมมันเอาไว้การปฏิบัตินี้นะเหมือนอย่างบุคคลทำนาทำสวนทำการค้าการขายพวกนี้เขาก็ประเมินผลพร้อมเลยปีนี้ได้เข้าปีปีปลายนี้ได้พันหนึ่งอย่างนี้นะ ปีนี้ได้เข้าพันห้าอย่างนี้แสดงว่าปีนี้ได้ผลมากกว่าปีกลายหรือปีนี้ได้เข้าแปดร้อยอย่างนี้ปีกลายนี้ได้พันหนึ่งแสดงว่าได้น้อยกว่าปีกลายนี้มันก็รู้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันเนี่ยเมื่อผู้รู้จักคิดรู้จักวิจารตัวเองพิจารณาตัวเองนะ มันก็ย่อมรู้ได้เลยว่าความประพฤติของเรานี่เนี่ยมันเลื่อนขั้นขึ้นมาหรือมันมันมันเลื่อนขั้นแต่เพศเฉยแต่ทางจิตใจนั่นไม่เลื่อนเนี่ยมันก็ต้องพิสูจน์ด้วยจะให้ผู้อื่นนั้นไปพิสูจน์ให้พยานกรให้เนี่ะมันไม่ได้หรอกไม่ได้ให้เข้าใจ เมื่อทุกคนได้ภาวนาดูกายดูจิตตัวเองอยู่นี่นะทำไมจะไม่รู้ก็รู้นะโอ้โหกิเลสในหัวใจของเรานี่ตั้งแต่เมื่ออยู่ครองเรือนนะมันหนาแน่นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อออกบวชมาแล้วนะมันเบาบางไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็รู้ได้นะ ต่างคนต่างก็รู้ได้เลยไอ้ผู้ใดเมื่อบวชเข้ามาแล้วทํากิเลสให้เบาบางไม่ได้ผู้นั้นก็อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้เลยจะเป็นนุ่งขาวนุ่งเหลืองก็ตามก็อยู่ไม่ได้ออย่างนี้เลยผู้อยู่มาได้นั้นแสดงว่ามีความเพียรมีปัญญาสามารถบรรเทากิเลสตัณหาให้เบาบางออกไปได้ออทสมควรทีเดียว มันถึงมั่นใจอยู่ในการประพฤติพรหมจรรย์นี้ได้แม้ว่ามันจะยากลำบากอย่างไรอย่างไรก็ดสู้ธรรมดาว่าผู้ที่เห็นผลแห่งการปฏิบัติตามคำสอนของพทธเจ้ามานะ ม, มันเป็นอย่างนั้นก็เอาเราเราชนะข้าศึกคือกิเลสขั้นนั่นมาแล้วอย่างนี้ <S <S ไอ้กิเลส ที่ปานนีดกว่านั้นยังมีอยู่บันนี้นะที่ละเอียดกว่านั้นนะนั่นะเมื่อละขั้นนั้นมาแล้ววันนี้มันก็มาเผชิญขั้นนี้อา้าก็ต้องมาทําความเพียรพยายามละขั้นนี้ต่อไปอีกให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าว่าเราทําความเพียรไปละกิเลสขาด เด็กไปได้ทีเดียวเลยอย่างนี้มันก็ไม่ลําบากอะไรเลย ม, มันก็ได้ความสบายสม่ำเสมอไปเรื่อยทีเดียววะเป็นอย่งั้นแต่นี้เพราะอินชีมยังอ่อนอยู่อะเราจะละกิเลสให้ขาดจากสันดานขณะเดียวเลยให้ได้อย่างนี้มันไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยเป็นอย่งั้น เพราะฉะนั้นเนะ่เมื่อกิเลสอันใดยังละไม่ขาดกิเลสอันนั้นมันก็ก่อเรื่องยุ่งให้ขึ้นมาเออมันเป็นอย่างนี้พอมันยุ่งขึ้นมาแล้วก็พิจารณามันอ้ามันยุ่งเพราะอะไรเพราะกิเลสชนิดไหนมันยุ่งเพราะความโกรธหรือมันยุ่งเพราะความรักหรือมันก็มีเท่านี้เลย กิเลสที่เห็นเด่นชัดอยู่จริงๆนะมันยุ่งเพราะความหลงความไม่รู้แจ้งเหลือแล้วก็คิดจารณาดูใจตัวเองสินันนีถ้าเห็นว่าไม่ไม่ได้ยุ่งอยู่ด้วยความรักอย่างนี้นะก็แล้วไปนั่นนผ่านไป อา้าถ้ามันไม่ยุ่งอยู่ด้วยความรักแล้วมั น, ม, นมันทำไมมันวุ่นวายเพราะอะไรบางทีมันก็ยุ่งอยู่ด้วยความโกรธก็มีมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเป็นที่ไม่พออกก้ใจมันก็โกรธขึ้นมาอย่างงี้แต่โกรธขึ้นมากิเลสท่านนี้มันไม่ถึงกับให้ จะต้องประหัดประหารกันทำลายร่างผานชีวิตของกัลากันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นแต่เพียงจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปสงบลงไม่ได้เท่านั้นเองนะ เ, เท่านั้นเองเราต้องรู้จกักอนระดับของกิเลส ก็อย่างที่เราก็คงรู้กันแล้วก็เคยพูดให้ฟังมาอยู่นี่กิเลสอย่างงาอย่างกลางอย่างละเอียดมันก็มีสามชั้นเท่านี้นะกิเลสนั้นนะวันนี้นในใจของเราแต่ละคนนี่นะมันมีกิเลส ช, ชั้นไหนอยู่ทุกคนก็ย่อมรู้ตัวเองได้บางคนก็รู้แหละแต่ว่าไม่เพียงนยามละมัน ยึดเอามันไว้อย่างนี้นะมันก็ย่อมก่อทุกข์ให้อยู่ยนั่นนะมันย่อมก่อทุกข์ให้อยู่ยนั้นข้อนี้แหละสำคัญมากนะข้อข้ออะไรก้ข้อที่ไม่เห็นโทษของกิเลส ที่ตนสะสมไว้ในใจนั่นนะนั่นแหละสาคัญทีเดียวเลยก็ไม่เห็นโทษนั่นแหละเหตุที่จะละมันไม่ได้นะเหตุที่ไม่เพียนละมันนะชอบกับมันนะเสีนความรักอย่างนี้นะเอาเมื่อได้แสดงออกซึ่งความรักแล้วดีอกดีใจไม่เห็นข้อ โทษแห่งความรักนั้นว่ามีพิษอย่างร้ายแรงต่อชีวิตอันนี้อไม่เห็นเลยไม่เห็นโทษเนี่ยมันก็สะสมความรักให้หนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นพราไม่เห็นโทษของมันเนี่ยถ้าเห็นโทษของมันแล้วอย่างที่เคยปฏิบัติมาแต่ยังหนุน ฉันอาหารไปฉันไปฉันไปพิจารณาเห็นกิเลสในหัวใจเนี่ยมันยังมากอยู่นะไม่ทันอิ่มแล้วยกบาตออกจากหน้าตัวเองไปเลยเอาละคนกิเลสหนานี่จะไปฉันมากนักอืมนั้นเอาอย่างนั้นนะเพราะมันเห็นโทษของมันเห็นโทษของมันว่าท่ากว่า ไปฉันอาหารให้อิ่มน้ำสำรานกิเลสมันก็จะอ้วนเพีขึ้นเพราะว่าใจตัวเองยังละมันไม่ได้ต้องต้องละกิเลสโดยวิธีอื่นๆประกอบด้วยไม่ใช่แต่มาภาวนาพุโทโธพุทโธในใจเท่านั้นต้องอดนอนพ่อนอาหารประกอบด้วยแต่ทั้งนี้ทางนั้นไม่ใช่อดอาหารจนว่า จะล้มจะตายไม่ใช่ฮะ mm hmm. แล้วก็ท่อนลงไปเท่านั้นเองพอให้ร่างกายมันอ่อนเพลียลงแล้วมันจะเห็นทุกข์เข้าไปเมื่อมันเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วกิเลสเอล่านั้นมันก็เบาลง mm hmm. แล้วก็เป็นอย่างนั้นนะอหอะชีวิตของนักบวชที่ยังมีอยู่ในวัยหนุ่มถ้าผูใ้ใดไม่คิด ทรมานตนอย่างนั้นเน่ยยากเนอจะเอาตัวรอดได้ให้เข้าใจกลัวแต่ทุกข์กลัวแต่ตายอยู่เงี้ยไม่ไหวแล้วบททีไปเพลิดเพลินมวัวเมาในการในงานต่างๆ ในการสเสวงหาลาภายศหมนันน่ะเฮ้ยมันจะทุกข์ยากปันญดมันก็สู้ไปนั่นดูสิตายแล้วแล้วไปนู่นวัตถีมาฝึกตนทรมานตนละกิเลตันหานี่กลัวตายแล้วกลัวทุกข์นู่น ลองคิดดูสาเหตุที่คนเรามันจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้มันจะละกิเลสไม่ได้มันก็เพราะเหตุนี้แหละเพราะมันชอบกับกิเลสหมายความว่านะ่ะพูดอย่างง่ายๆมันชอบกับมันนั่นแหละจึงค่อยยึดเอามันไว้จึงไม่ภาคเพียนละมันผู้ไม่ชอบกับกิเลสแล้วมันก็เพียนละมันเรื่อยไป เป็นเงินสํารวมตนในวินัยเคร่งคัดเข้าไปอย่างทุดงควัตอย่างนี้นะเขาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงทุดงควัตไปพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเป็นสันเลขาปฏิบัติเป็นเครื่องขัดเกลาทิเลตัญหาให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจ เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เป็นเครื่องลากกิเลสให้ขาดเด็ดไปทีเดียวนะทุดงขวัตนี่นะเป็นการขัดเกลากิเลสให้มันเบาบางออกไปมันเป็นอย่างนั้นเช่นสมมตทานไม่นอนอย่างนี้นะแต่ส่วนอาหารนี่ มันก็แล้วแต่ผู้ที่จะพิจารณาธาตุขันตัวเองแต่ในทุดองควัดนั้นสมทานชั้นในบาทนอกบาทไม่เอาหรือสมทานเที่ยววินทบาทไปทางเดียวข้างเดียวหมายคือว่าถนนมันมีสองข้าง เดินไปข้างเดียวเท่านั้นเขาใส่ให้เท่าไรก็เอาเท่านั้นข้างที่สองไม่รับแล้วก็ใครนำอาหารมาถวายทีหลังก็ไม่รับฉันตั้งแต่อาหารที่ตกลงในบาทเท่านั้นนี่าการการทุดงขวัตเนี่ยมันเป็นการดัดนิสัยโลบมากในอาหารดันั้น ผู้ที่เห็นโทษ ข, ของราคะตัณหามนีท่านจึงสมทานทุดงอั น, นี อ, อ, อก็ยังเคยพูดให้ฟังมาแล้วนั่นน่ ะ, ะ, ะบางภรษาเรไปฉันข้าวเพียงข้าวเจ้านี่ฝายมือหนึ่งเท่านั้นเองแต่ละวันละวัน ตายก็ตายไม่ตายก็ยังมันก็ปฏิบัติอย่างนั้นไปได้ตลอดสามเดือนไม่ตายอันนี้ไม่ตายแต่ว่าสู้ผอมก็ไม่เป็นไรอะ ทูบผมแต่เมื่อมาบินทบาตสันพัฒหารตามปกติเข้าไปแล้วมันก็ดีขึ้นร่างกายสังขารอันนี้อันมูนี้นะทุกคนให้รู้จักถ้าเป็นผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารอย่างจริงเนี่ยไม่ควรที่จะไปกลัวตายอย่างเดียว รู้ว่ากิเลส ข, ของตนมันยังหนาอยู่อย่างนี้นะมันก็ต้องทรมานตนเข้าไปผู้เพื่อนทรมานตนมาก่อนแล้วนั่นก็ยังไม่เห็นตายก็ยังมีชีวิตมาอยู่ถึงปันเนี่จึงสมกับว่าคนเรานั่นมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนทำมา เมื่อตอนมีบุญได้ทํามาอยู่ยงี่หมายความว่าตนมีบุญได้ทาบุญมาแต่ชาติก่อนอย่างนี้บุญนั่นก็ตามรักษาชีวิตนี้ไม่ให้แตกดับทาลายไปก่อนบุญนี้ยังไม่หมดตรบใดแล้วก็ยังไม่ตายคนเราเนี่ยนะี่มันเป็นอย่างนั้นผููเชื่อบุญจริงๆมันก็ไม่กลัวตายการปฏิบัติการทําความเพีย <c oughs> ถ้าว่ามีกรรมมีเวรแต่ผลหลังตามมาสนองเอาเอา้ามันก็ทำให้ร่างกายนี่ชํำรุดชุดโทมลงทำให้ร่างกายนี่ทุกพลระพาพลงไปไอ้ผู้รู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมอย่างนั้นแ่ะก็ไม่เดือดร้อนอตนถ้าทาไม่ดีมามันก็ย่อมได้ไม่ดีอย่างนี้แหละ <c oughs> ตนทําไม่ดีมาแล้วจะเอาไปโยนให้คนอื่นเสวยผลแห่งกรรมอันนี้แทนใครเขาจะรับเอาล่ะไม่มีใครเขารับเอาเราต้องเสวยเอยงก็ไม่ต้องบ่นทุกบ่นยากเดือดร้อนอะไรนักหนาก้มหน้าทู้ผลแห่งกรรมอ น, นั่นไปเจ็บก็เจ็บไปปวดก็ปวดไปตายก็ตายไปไม่ต้องกลัว เิเลสยังไม่หมดตาย้วเกิดใหม่อีกเกิดมาแล้วปฏิบัติทมอีกอ้าเราจะละกรรมชั่วให้หมดอธิษฐานใจไว้เลยตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่ทำกรรมชั่วเด็ดขาดเลยนี่นะนั่นนะ <c oughs> ถ้าเราเห็นโทษของกิเลสบาปประธรรมอย่างว่านั้นจริงๆนั่นเราอธิษฐานใจนี่เสมอๆลงไปถึงแม้ว่าจาระกิเลสไม่หมดในชาตินี้เกิดไปชาติหน้ามันก็ไม่ทำความชั่วคนพวกนั้นเพราะว่ามันเบื่อมาแต่ชาตินี้แล้วเบื่อความชั่วเบื่อกรรมเบื่อเวนบุญกุศลที่ทำนั้นมันก็โดนบันดาลให้ มีร่างกายจิตใจปลอดโปรงมีสติปัญญาแะ้ววันนี้นะค้นจากกรรมจากเวรอันชั่วร้ายไปถ้าเผื่อว่าได้พบศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งได้ฟังทมคำสอนของพระองค์แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ผู้ไม่มีกรรมไม่มีเวร น, นะมันเป็นอย่างนั้นผู้ใดมีกรรมมีเวรมาขัดขวางแล้ว ยังไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้เหมือนอย่างภิกษุองค์หนึ่งแต่ข้างพุทธเจ้านั้นบวชเข้ามาแล้วเกิดตุ่มผูกคองขึ้นทั่วร่างกายน้ำเหลืองไหลเยิ่มทรงตีนเหม็นจนหลุกสิริหะกับเอื่มละอาไม่อยากเข้าใกล้เลย ในขณะนั้นกรรมเวรที่เพื่อนทำมาแตรเชาก่อนต้ตามสนองอยู่เพราะพระพุเทธเจ้าก็ไม่รับรู้เลยไม่รู้เรื่องกรรมมันปิดบงนะังทีนี้บุญกุศลเพื่อนก็ ท, ทามาแต่ก่อนนูนะ่นพอกรรมเวรมันจวนจะหมดลงบุญนั้นมันจะมาให้ผลแล้วเพราะองค์เลียงยานสองสัตว์โลกก็ ท่านองค์นี้ก็ไปต้องไขยพยานของพระ อ, องค์วงพิจารณาดูแล้วก็รู้ว่าอุปนิสัยอาราหัตตผลมาถึงแล้วพระองค์เนี่ยพระองค์จึงได้เสด็จลงจากพระคันธกุดีมาดูมาถามไถ่พระพิโสองค์นั้นแล้วพระองค์ก็ทำท่า ก่อไฟขึ้นจะต้มน้ำเพื่อชำระผ้านุ่งผ้าหม่มชำะระร่างกายของพระองค์นั้นให้สะอาดพระภิกษุสามเณรเห็นอย่างนั้นก็พากันกูรีกูจอไปทำแทนพระองค์คือแต่ก่อนนี้มาเขาว่าพระทั้งหลายเอื่อมละอาแล้วมันเน่าเหม็นนะเข้าใกล้ไม่เขา้าได้ ได้ปล่อยให้ท่านอยู่ตามยถากรรมอย่างนั้นก็เห็นพระองค์ไปกุรีกุจอง น, นจึงได้พากันไปจัดแจงต้มน้ำร้อนน้ำอุ่นขึ้นเอาผ้าของท่านไปลวกน้ำร้อนซักพอกผืนหนึ่งแล้วไปตากให้แห้งเมื่อตากให้แห้งแล้วก็เอาผืนที่ตากหแห้งนั้นมานุ่งมาหม่มเพราะว่าพระต่ก่อนนั้นส่วนมากนั้นนุ่งจะผ้าสามผืนหนึ่ง แล้วก็ลือเอาผืนที่ยังไม่ได้ซักในพอกเอาไปลวกน้ําร้อนซักกอกให้สะอาดแล้วไปตากแดดให้แห้งเอามาอาแล้วก็เอาผ้าที่ริ้วไปซุกน้ําอุ่นนั้นแล้วก็เอามาเช็ดตามร่างกายที่เป็นแผลผุคองเน่าเปื่อยอันนั้นเออชําระที่นอนอะไรตัวอะไรให้สะอาดสะอ้าน แล้วก็นุ่งห่มผ้าให้เรียบร้อยพระองค์ก็ไปประทับยืนอยู่บนศีรษะของพระองค์นั้นแล้วก็ทรงตรัสภาษิตนี่ว่าอาจิรังวัตยังกายโยปัทวิ่งอสิเสสติชุดโดอเปตะวิญญาโนนิรัตทั้งวัคริงคลังโอ้ร่างกายนี้ไม่นานหนอ บางเกิดก่อแล้วกลับกลายดุจจะฟองแห่งน้ำหมาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปออชุดโดเป็นของเปล่าอะเปตะวิญญาโนเมื่อวิญญาณละออกจากร่างนี่แล้วนิรัถังว่าคลิงคลังยอมทอดทิ้งอยู่บนพื้นดินเหมือนอย่างท่อดกล้วยที่เขาตัดทิ้งไว้บนพื้นดินฉะนั้น <c oughs> ท่านองค์นั้นพอได้ฟังพาสิตเท่านั้นเนี่ยจบลงท่านก็สาเร็จอรหันเลยมเมื่อสําเร็จอรหันแล้วท่านก็เข้าสู่นิพพานเพราะว่าร่างกายมันใช้กายไม่ได้แล้วอือเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นเพราะในชาติก่อนน้นท่านได้ทําทั้งบุญมาทําทั้งบาปมา อันนี้เราจึงได้มาเทศทายฟังกันอยู่บ่อยๆให้บุคคลทําทั้งบุญทั้งบาปมานี่เวลาได้รับผลก็ได้รับทั้งสองอย่างเลยแต่มันให้ผลคนละทีเมื่อเวลากรรมชั่วมันให้ผลอยู่นั่นกรรมดียังให้ผลไม่ได้ปิดมดพระาศาสดาก็ไม่เลิ้ยวเลอตลอดลูกศิลุหาก็ทอดทิ้งไปเลย กเนยกรรมชั่วมันให้ผลแต่ชาติก่อนนั้นฟังว่าเป็นพานนกไปดักจับนกได้มาแล้วก็เอามาหักปีกหักขาวางกองไว้ตามพื้นคนมาซื้อเอาไปทำอาหารกินกันนะอย่างนี้ตายแล้วไปตกนรกค้นจากนรกมา ด้วยอำนาจที่ได้ให้ทานแก่พระอรหันต์แต่ชาตินั่นแหละได้ให้ปิ่งนกปิ่งหนูอะไรเป็นทานท่านกล่าวไว้แล้วก็ได้ฟังทมอย่างอื่นบ้างคงเป็นอย่างนั้นเนยบุญกุศลอนั้นจึงนำให้มาเกิดเป็นคนขึ้นมาในเมืองสาวาสีครั้งนั้นแล้วก็ได้มีศรัทธาออกบวช ตอนนั้นกรรมชั่วที่ทำมานั้นยังยังไม่ให้ผลร่างกายก็สมบูรณ์ดีพอบวชเข้ามาแล้วปฏิบัติไปถึงเวลากรรมชั่วนั้นมาให้ผลบนันี้ก็เกิดตุ่มผูกคลองขึ้นน้ำเหลืองไหลเยิ้มเดินก็ไม่ได้ทีนี้ น, นเหมือนยังไปหกักขาหักปีกนก แล้ววางกองไว้มันก็เดินก็ไม่ได้สัตว์เห่านั้นบินไปก็ไม่ได้กรรมนั้นมาสนองเอาอตัวเนา่าเฟะแล้วก็เดินไม่ได้เลยแบบนี้เป็นอย่างนั้นนะแต่อา น, นิสงส์บุญกุศลที่ท่านทามาแต่อนเอกนกชาติน่นแต่ก่อนนั่นเข้าใจว่ามันก็คงมาเต็มเอาในชาตินั่นแหละแต่ว่าก่อนที่บุญนั่นจะให้ผลบาปมันต้องให้ผลซะก่อน ถ้าท่านสําเร็จอรหันเข้าสู่พระนิพพานแล้วบาปกรรมนั่นมันจะไม่ได้ให้ผลมันจึงชิงให้ผลซะก่อนอันนี้ยกเรื่องราวของบุคคลมาให้ฟังไอเรื่องการทํากรรมชั่วนี่นะ่ะไม่เห็นโทษแห่งกรรมชั่วนี่นะี่มันก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็อํานวยผลให้เป็นทุกข์อย่างนั้น ทีนี้เราเป็นนักบวชนี่นะมันแสนดีนักหนานะเราไม่มีอาชีพแบบนั้นทีนีนน้ไม่ได้แสวงหาอาหารมาเลี้ยงตนเองมีชีวิตเป็นอยู่กับผู้อื่นเขาให้อย่างไรมาเราก็คบชันอย่างนั้นทีนี้เพียงนั้นว่าเราไม่ได้ทําบา ก็อาชีพนั่นมันก็แสนดีนักหนาไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นในธรรมวิภาคข้อที่ว่าบรรพชาเป็นอุบายเว้นจากเบียดเบียนกันและกันในข้อหมวดทมข้อหนึ่งนะ ม, มันก็เป็นความจริงนะเมื่อเมื่อไดบรรพชาบริสมบทเป็นภิกษุสามเณรก็ดีเป็นชีเป็นขาวหมดนีอ ม, มาแล้วเราก็ไม่ได้ทำบาปเพราะอาชีพเหล่านั้นก็นับว่าเป็นบุญกุศลของเราอย่างสูงอยู่แล้วควรพากันภาคภูมิใจเราฉัน พัฒาอาหารจะเพียงมือเดียวพอประทังชีวิตอยู่ได้ั่วงยี่บสี่ชั่วโมงแล้วฉันคาบหนึ่งแล้วหมายความว่าอาหารนี่มันบำรุงร่างกายอันนี้ให้มีกำลังเลียวแรงไปได้ยี่บสี่ชั่วโมงก็ น, นับว่าเป็นความสะดวกสบายของนักบวช ไม่ได้กังวลกับการหูงหาอาหารทั้งเช้าทั้งเที่ยงทั้งเย็นเหมือนอย่างผู้ครองเลือนนี่เป็นความเบากายเบาใจอย่างหนึ่งเรื่องอาหารการบริโภคแต่สำหรับผู้ที่ติดรสชาติของอาหารแล้วมันทำไม่ได้เลยแบบนี้ออทาไม่ได้เกิดหิวขึ้นมาแล้วก็เดือดร้อนเลย แต่เป็นนักบวชอย่างนี้ก็อยู่ไม่นานเเท่าที่เห็นบางคนนะทนต่อความหิวไม่หวก็ถึกไปอย่างนี้ไอ้พูกที่อยู่ได้ทนได้เนี่ยถือว่าเรามีบุญนะไม่ใช่น้อยนะให้รักษาบุญของตัวไว้นี้แหละบุญล่านี้นะ่ยช่วยรักษาชีวิตของเราไม่ให้หันเหไปทำบาป ไม่ไปเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายถ้าว่าบุญไม่ส่งเรามาบวชอย่างนี้นะเราคลองเรือนนี่นะมันแน่นอนนะคนผู้คลองเรือนทั้งหลายแนละ้วก็บุญบา ร, รมีก็ไม่ไม่มากไม่ได้นอนอยู่วนกองเงินกองทองนะหาเช้ากินข้ามกันไปอย่างนี้มันไม่พ้นจากการทำลาย ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมาเป็นอาหารไม่พ้นจากการค่าการขายโกหกโกกลมเพื่อให้ได้เงินได้ทองมาจับมาจ่ายออหมูนี้ฮะการครองเรือนมันมันยากคือมันจะเว้นจากบาปจากโทษได้ผู้ใดเว้นได้ผู้นั้นรับว่ามีบุญมากเลย นี่แหละการที่เราเป็นนักบวชนะให้ภาคภูมิใจว่าเรามีบุญไม่น้อยอ ม, มีบุญมากทีเดียวแต่บุญอันนี้มันก็ยังกาจัดกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปยังไม่ได้ก่อนเพียงแต่บันเทาเราต้องมาทำความเพียรแบบนี้นะ เราได้อาศัยอาหารอันบริสุทธิ์ไม่มีโทษอย่างนี้แล้วมีกำลังร่างกายดีพอต้องควรเช่นนี้แล้วเราก็อาศัยร่างกายที่อาหารหล่อเลี้ยงไว้นี่ยถามความเพียรไม่เห็นแก่หลับแก่นอนทำข้อวัดปฏิบัติเรามีข้อวัดปฏิบัติอย่างไรระวางระเบียบกันไว้อย่างไร เห็นเราก็รู้กันอยู่นี่แหละทุกคนก็พยายามอย่าไปขาดตกบกพ้่องในข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ตื่นดึกลุกเช้าให้ทันเวลาออมาทำวัดสวด ม, มนนั่งภาวนากันรวมกันอยู่ในศาลาเนี่ยทำทั้งนี้ก็เพราะอะไรนะก็วางคนนะ่ะมันไม่มีกำลังที่ จะกำจัดผีนะิมิตะความง่วงเหงาหาวนอนได้จะไปนอนตื่นดึกไปนั่งภาวนามีแต่ ง, ง่วงอยู่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันเป็งนงั้นถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วอย่างนี้เรานึกถึงข้อวัดเอาลูกไปล้างหน้าล้างตาทํำกิจธุระอะไรเสร็จแล้วก็มารวมกันศาลานี่ความง่วงเหงาอะไรมันก็ค่อยหายไปอย่างนี้แหละ แล้วก็ฟังโอวาทไปพร้อมนั่งภาวนาไปอดทนอดกันไปบางคนไม่อดนอะนั่งไปนั่งมาปวดแข้งปวดขาหน่อยหนึ่งเลิกแล้วเนรนี่ยิ่งลายใหญ่นั่งไปนั่งมานอนซ้ำเลย อ, อย่างนี้มันจะไปได้บุญอะไรล่ะ ถ้าเรานั่งภาวนาไปมันง่วงไม่สามารถจะไปแก้ง่วงอันนั้นได้กรั่ลุกซี่แบบ น, นี้นะลุกขึ้นไปเดินล้างหน้าล้างตาเข้าไปเดินจงกรมเข้าไปมันต้องฝึกตนอย่างนั้นอย่าไปทําตนให้เป็นคนอ่อนแอสิถ้าไปฝึกตนให้เป็นคนอ่อนแอ น, นั้นก็อ่อนแอเรื่อยไปอ่ะ เอานั่งภาวนาไปหน่อยหนึ่งก็ ง, ง่วงแล้วเนีร่างกายก็อ่อนพับเข้าไปนะมันก็ น, นอนอืทีไรก็เป็นแต่อย่างนั้นนี่ไม่มีทางแล้วมันจะเจริญได้ในชีวิตของผู้ผพุทธภมจ a j ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มีสติไม่มีปัญญาอะไรเลยออืคนมีแต่ง่วงเหงาหานอนนะ ดังนั้นอย่าไปฝึกนิสัยอย่างนั้นต้องดักนิสัยของตนให้เป็นคนเข้มแข็งน่ะนักบวชได้เชื่อว่าเป็นนักเสียสลักให้พากันเข้าใจความหมายของนักบวช ถ้าใครไม่คิดจะเสียสละผู้นั้นไม่ชื่อว่านักบวชเพราะนั้นทุกคนที่มารวมกันอยู่นี่นะก็แสดงสมเป็นนักบวชลนะนุ่งเหลืองก็มีนุ่งขาวก็มีอย่างนี้นะ มันต้องบำเพ็ญตนเป็นนักเสียสละความเสียสละนี่แหละมันเป็นเหตุให้ได้รับความเบาใจปลอดโรงใจถ้าไม่เสียสละก็หมายความว่ายึดมั่นถือมั่นไว้ เมื่อเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจความหมายของการบวชเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะได้ความเบาใจ ก็ขึ้นเชื่อว่าทุกสิ่งทุก อ, อย่างไม่เที่ยงแล้วอันจะให้มันหยุดนิ่งอยู่ไม่ไว้ติงอะไรเลยอย่างนี้มันไม่ได้นะนั่นนะให้เข้าใจตามความจริงอย่างนั้นไม่ใช่ตั้งแต่สิ่งที่เป็นรูปมันไม่เที่ยงอย่างเดียว สิ่งที่ไม่มีรูปร่างมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะเป็นอย่างดวงจิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่นะี่ยมันก็ยังไม่เที่ยงเหมือนกันนะพลิกไปพลิกมากลับกรอกหลอกตัวเองให้ยินดียินร้าย ให้โลภให้โกรธให้หลงมูเนี่ยแต่เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหะมันถึงค่อยเปลี่ยนแปลงไปมันจึงปุงแต่งทั้งดีทั้งชั่วขึ้นมาเมื่อมันปุงแต่งขึ้นมาแล้วไม่รู้เท่าวานนี้สิ่งใดที่ควรละก็ละไม่ได้ สิ่งใดที่ควรทำให้เจริญงอกงามขึ้นมาก็ทำไม่เป็นเพราะไม่รู้แจ้งเพราะไม่รู้แจ้ ง, จงนั่นแหละมันถึงยุ่งมันจึงได้ทำไปในสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง เมื่อทุกคนรู้ดีอยู่ว่าจิตใจของตนนี่ยังไม่เที่ยงยังแปรปรวนไปอยู่อย่างนี้นะแล้วยังจะ ม, มาสำคัญว่าตนดีอยู่มันไม่ได้เลยต้องให้เข้าใจเมื่อรู้ว่าจิตใจของตนแปรปรวนอยู่วันไหวอยู่ เช่นนี้ล้วก็เยี่ยงเสียสละลงไปเสียสละลงให้ยอมให้ผู้อื่นตักเตือนว่าเกลาจะเป็นใครก็ตามยอมให้ตักเตือนสั่งสอนได้ในทางที่ถูกต้อง เพื่อจะได้เพิ่มพูนความรู้ความฉลาดให้เกิดขึ้นความรู้กับความไม่รู้นั่นมันเหมือนกับฝ่ามือและหลังมือความไม่รู้ก็หมายความว่าไม่รู้สิ่งที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ มันถึงละเหตุอันนั้นไม่ได้มันก็ก่อเหตุอันนั้นขึ้นมาเป็นทุกข์เดือดร้อนไปอันนี้ยนเรียก ว, ว่าไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ทีนี้เมื่อมาฝึกจิตใจนี่ให้มันสงบตั้งมั่นลงไปมันรู้ขึ้นมาแล้วว่าโอ้อันนี้มันคือเหตุให้เกิดทุกข์ พอมันรู้ขึ้นมาอย่างนี้มันก็ละเหตุอันนั้นเสียได้ที่มันละยังไม่ได้เพราะมันยังไม่รู้แจ้งพอมันรู้แจ้งขึ้นมาเมือ่อใดมันก็ละได้เมื่อนั้นเหตุ mm hmm. นั้นจึงว่าความรู้กับความไม่รู้มันมันเหมือนกับฝ่ามือกับหลังมือ ถ้าคว่มฝ่ามือลงก็ไม่เห็นฝ่ามือเห็นแต่หลังมือถังหงายฝ่ามือขึ้นมันก็เห็นฝ่ามือไม่เห็นหลังมือนันีหยจิตใจถ้ามันสงบระ ง, งับลงไปจากกิเลสต่างๆแล้ว เมันอก็ของใสขึ้นมาเหมือนกับลงหายฝ่ามือขึ้นมานี่นะเป็นงั้นความรู้มันกก็โผล่ขึ้นมาเหมือนอย่างแสงพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาทางทางด้านตะวันออกนนคนขอบฟ้าขึ้นมา ส่องแสงสว่างมาแก่โลกอันนี้ให้คนทั้งหลายที่อาศัยโลกอันนี้ได้มองเห็นวัตถุต่างๆได้ทันใดก็อย่างนั้นแหละอิตใจของคนเรานี่เมื่อมันอบรมให้มันรู้ขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันก็ มองเห็นความจริงของชีวิตอันนี้ได้ตามเป็นจริงได้มองเห็นว่าชีวิตนี่เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์นนเหตุที่มันจะเป็นทุกข์ ก็เพราะมันสร้างเหตุมาแต่ในอดีตนู่นเพราะความยึดถือความไม่เสียสละนี่เองเนี่ยความไม่เสียสละความอยากความปรารถนาความไม่เสียสละในความเพลิดเพลินมัวเมาต่างๆโมนี่นะ ยึดถือมันไว้เมื่อยึดถือไว้มันก็เป็นเหตุให้ทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วนะั้นมันก็ติดตามมาอำนวยผลให้เกิดอีกเหตุปัจจัยที่นำชีวิตมาเกิดอีกมันไม่เที่ยงชีวิตนี้มันก็จึงไม่เที่ยง ก็ต้องพิจารณาเหตุปัจจัยของชีวิตนี่ให้มันเห็นเมื่อมันมองเห็นเหตุปัจจัยได้โดยแจ่มแจ้งแล้วมันก็เพยายามละเหตุปัจจัยอันนั้นเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ได้ประอาศัยในของที่ไม่เที่ยง อันผู้ใดที่ยังไม่เห็นแจ้งในเหตุปัจจัยของชีวิตยอย่างว่านะั้นมันก็ไม่ละเลยนะมันก็สร้างขึ้นไว้ยึดถือเอาไว้มันก็เหตุปัจจัยนี่ก็พาจิตวิญญาณนี่เ ล, ล่ร่อนเกิดไปล่ำไปได้เสวยทุกข์บ้างเสวยสุขบ้างไปในสงสารอันนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้แนหะ่ มันไม่ใช่ว่ามันจำเป็นมีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเป็นสิ่งที่จะให้เรามีความเป็นอยู่อย่างเที่ยงยั่งยืนตลอดไปในโลกสนิวาสอันนี้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปประมาทผู้ที่แสดงตนร่เป็นนักบวชนี่ ก็แสดงว่าเป็นผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารอันนี้มาแล้วก็จึงได้มาบวชกันทำตัวเป็นคนผู้เดียวหรือบางคนก็กำลังฝึกตนที่จะเป็นนักบวชเข้าใจว่าก็คงเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี่แหละ